มาอย่างเันเตวสุมวิสุขรักนาทาตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลอาตมาภาพจะแนะนำเรียกกล่าวบอกคุณค่าของศีลให้แก่คณะธาตญาติโยมทุกหมู่เราเพื่อเป็นการศึกษาถึงพวกเราจะรู้เคย บวชเรียนเขียนอ่านมาก่อนแต่ผู้ที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังพวกลูกหลานของพวกเราอาจจะยังไม่รู้ว่าสิงห้าหรือว่าคุณค่าของสิงห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรกพโดยมากเวลาคณะทาญาทโยมอรัธนาศินประธานสงหรือว่าอย่างหลวงพ่อที่ขึ้นธรรมมาศแล้วก็จะให้สินไปเลย โดนมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่คราวนี้หลวงพ่อเองจะบรยายหรือว่าแนะนำคุณค่าว่าศีลมีคุณค่าอย่างไรทำไมพวกเราเวลามีศาสนาพิธีใหญ่ๆคนกลุ่มใหญ่เวลาเริ่มพิธีขึ้นมาพวกเราทำไมจึงไหว้พระเสร็จแล้วก็อาราธนาศีลแต่การอาราธนาศีลไปบางแห่ง ก็ว่าม่อย่างพันเตติสรณเนนสาห์พัญจศีลานิยาจามะแต่บางแห่งก็ไม่อย่างพันเ ต, ตวิสุงวิสุงรักนัทายะอย่างเมื่อกี้เนี่ยวิสุงวิสุงรักนณทธายะเอ๊ะทาไมรักษาศินห้าแล้วขอศินห้าเหมือนกันทําไมจึงมีสองจึงมีสองมาตรฐานเหมือนกันคยจะมาพูดเป็นสองเรื่องทําไมไม่พูดเป็นเรื่องเดียว อันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้แก่คณะจตหาญ า, า, าติโยมลูกหลานก็ว่าถ้าเราพิจารณาดูแล้วก็เป็นสองเรื่องจริงๆคือมายังพันเตติชรนีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะพวกข้าพเจ้าขอศินทั้งห้าข้อพร้อมกันคือถ้าหากว่าเมื่อขอรวมกันแล้วเมื่อขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไปว่าขาดทั้งหมดเพราะว่าขอทั้งห้า รวมกันแต่นี้ต่อมานักปราท่านก็ บ, บอกว่าพวกเราจะรักษาสินห้ามพร้อมกันอาจจะขาดตกบกพร่องก็เลยขอเป็นข้อข้อไม่อย่างพันเตวิสุงวิสุงคือรักษาสินเป็นข้อข้อหนึ่งข้อ1ถึงข้อหแต่ว่าพวกเราเมื่อรักษาศินจบไปแล้วพวกเราไปตบยุงสักไปฆ่ามดสัก สินข้อที่หนึ่งก็ขาดไปต่อมาอีกไปขโมยของเขาเข้าศินข้อที่สองก็ขาดศินข้อที่สามประพฤติละลับลาล่วงสามีภรรยาคนอื่นเขาศินก็ขาดและก็กาวมุสาศินก็ขาดและก็ดึงสุราข้อสุดท้ายศินก็ขาดอันนี้ก็คือขอวิสุงวิสุงขอเป็นข้อเป็นข้อแต่ปัญจฉีรานิยาจามะนั้น แปลว่าเมื่อขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดทั้งหมดแต่ถ้าว่าถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อถ้าให้หลวงพ่อรักษาดิหลวงพ่อจะรักษายังไงตั้งสองข้อนิหลวงพ่อว่าถ้าจะเป็นใจของหลวงพ่อถ้าจะรักษาทั้งทีแล้วก็ควรจะรักษาทั้งห้าข้อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะเพราะว่าพวกเราจะทำมาค้าขาย ห้าคําว่ารวยแล้วก็อยากจะรวยทีเดียวเลยไม่ใช่ครบอยากจะให้รวยมากๆเลยไม่ใช่รวยกระปิด ก, กระปอยเนะี่ยเพราะนั้นสินอาราธนาสินสองประเภทก็ขอให้คณะสััธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าได้รับทราบตามที่หลวงพ่อได้ชี้แจงให้ฟังและในเรื่องเมื่อกี้นี้โพสตกที่พูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานนานไปแล้ว ถึง 2,500 กว่าปีแนี่ทีนี้พวกเราขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะัส ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้ก็คือก่อนที่จะสมาทานศีลก็ได้นอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนและทีนี้หลวงพ่อเองเมื่อจะให้ศีลหรือว่าเป็นผู้พานำให้ศีลหลวงพ่อก็ต้องวานโมเอกเหมือนกัน นาโมตัสสะปะกวะตุระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะทำไมเราจะได้กล่าวอย่างนั้นคือความหมายก็คือว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือคำแปลของนาโมคือทำไมเราจรึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นพระศาสดา เป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นความคิดเรื่องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า8ปดหมี่พันพระธรร ม, มขหากันนั้นคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้คนฟ้าเป็นผู้ได้ศึกษามาแล้วแล้วก็นําพระธรรมคําสั่งสอนมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเรายอมรับในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ ปฏิบัติตามคือปฏิบัติตามคือพระธรรมคําสอนอย่างนั้นเราก็ยึดพุทธทางธรรมมังสังขังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือตนศาสนาต้นพระพุทธศาสนาพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือสาวก ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำพระพุทธศาสนานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาเผยแพร่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นพวกเราเห็นว่าทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับเราเราจึงได้เนยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งอย่างนั้นกรดุติยามปิขอยืนยันเป็นครั้งที่สอง ตติยามปิยืนยันเป็นครั้งที่สจะยึดพระพุทธเจ้าธรรมประสงค์เป็นสนะเป็นที่พึ่งจากนั้นหลวงพ่อจะได้นําสมมาทานสินเป็นข้อข้ อ, ขอคือปานาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาปะทางสามาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะฆ่าคนอื่นแต่เมื่อเขามาฆ่าเรา ข่าพ่อฆ่าแม่ข่าพี่ข่าน้องข่าลูกข่าหลานข่าวงสาคนาญาทของเราเรามีความเสียใจเป็นอย่างมากในเมื่อเราไปท่าคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมเป็นธรรมมาทิปไายท่านรู้จักใจของทุกคู่ทุกคนทุกตัวสัตว์เพรา ะ, ะนั้นพระองค์จึงบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าคิดฆ่ากัน ฆ่าฆ่ากันแล้วมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความเป็นทุกข์ให้พวกท่านทั้งหลายงดในการฆ่าอันนี้คือสินข้อที่หข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีอย่าขโมยคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยเราเช่นเดียวกันเราก็เสียใจเขาขโมยพ่อแม่ลูกหลานของเราไปเรียกค่าไถ่อย่างนี้เราเสียใจหม ถ้าเราไปขโมยของเขาล่ะเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันไม่ต้องพูดถึงขโมยเล็กขโมยน้อยถ้าว่าพวกเราขโมยแล้วมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นการขโมยกันพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าแล้วว่าถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะถ้ามีการขโมยกันแล้วจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะนั้นจึงบัญญัติศิลข้อที่สองอย่าขโมยกันศินข้อที่สาม กาเมสุมิช า, าราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขากอรักสั ง, งวนหงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะต่างคนก็ต่างมีบงสาคานายาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สามให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่สี่มุสาว า, าเวรมณี อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเพราะนั้นเพราะพทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สห้าไมเให้โอหกให้พูดตามความเป็นจริงที่จะพูดได้แต่การพูดไปแล้วมันจะเสียหายอันนั้นก็เป็นดุลช น, นิดของเราอีกส่วนหนึ่งว่าเราพูดไปแล้วมันจะเสียหาย ไม่ใช่ว่ารู้อะไรแล้วก็จะพูดไปทั้งหมดก็ไม่ใช่เราก็ต้องใช้ปัญญาในการพูดนะในพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสให้สอนพวกเราให้รักษาศีลให้รอบคอบในการรักษาศีลเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าศีลนะข้อที่สนีะ่พระพธองค์ตรัสว่าผู้ที่ชอบโอหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มี เพราะนั้นพวกเราให้สังเกตดูถ้าว่าผู้ใดก็ตามชอบโกหกทั้งต่อหน้ารับหลังคนนั้นจะโกหกไปเรื่อยๆหาความสัต์จริงไม่ได้อันนี้คือสินข้อที่สี่ถ้ามีคนโกหกทั้งบ้านทั้งเมืองในอยู่ในกลุ่มเดียวกันพวกเราจะหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะมีแต่เรื่องโกหกพอกลมและขินข้อที่หสุราเมรยามัชากพมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้ก็วันีวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นวันปีใหม่แล้วก็ทางประเทศชาติชาติไทยของเราหลายปีมาแล้วระดมการบ้านปีใหม่สงกรานย่าดื่มสุรานี่อันนี้ห้ามพี่น้องประชาชนลูกหลานให้เห็นคุณค่าในการไม่ดื่มสุรา การดื่มสุราเข้าไปแล้วคนขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ขโมยของใครก็ได้ล่าละประรวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ก็หกพก่อกรมต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะเหไรเพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วต้องขาดสติในเมื่อรู้แล้วขาดสติเราจะดื่มทมําไหม เราอยากจะเป็นคนขาดสติอย่างนั้นใช่ไหมคนขาดสตินั่คืออะไรถ้าขาดมากๆไม่รู้จักสัง่งถ้าเป็นบ้าตลอดไปและพวกเรามีความรู้สึกอย่างไงแล้วเร า, เราดื่มเข้าไปแล้วก็ขาดสติชั่วคราวอันนี้ก็คือคนดื่มสุราขาดสติชั่วคราวถึงจะขาดสติมากน้อยก็าตามเพราะไม่เป็นผลดีสำหรับบุคคลคนนั้นเพราะนั้นขอให้คณะรัตายาธิโยมทุกหมู่เหล่า เรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องศีลห้านะที่พวกเราจะรับเดี๋ยวนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อพวกเราอย่างมากเพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้คุณค่าแล้วท่านจึงบัญญัติศีลขึ้นมาให้พวกเราได้รักษาเพราะนั้นคณะสัทธายาตโยมลูกหลานทุกทกท่านเมื่อรู้ว่าศีลห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเอาต่อนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำ สมาทานศีลต่อไปนะโม ต, ตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพววุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพววุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธะ นะโมตัสสะอะตะวะโตอระหะโตสมาสมสะโมตัสสะอิมานิปัญจะสิขาปะธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนโะโกกัสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสธาเย รัมาจะลุกานิพาิสสะพันติ จะแสดงธรร ม, มเทเนาจะขอกล่าวเรื่องประวัติของหลวงปู่แฟบสุพัทโทหลวงปู่แฟบสุพัทโทมีอายุพรรษาท่าน บ, บวชเมื่อภัยอายุมากแล้วอายุแก่แล้วท่านจึงได้บวชเมื่อท่านบวชแล้วก็เป็นพระที่เอาจริงเอาจังปฏิบัติทีปฏิบัติชอบเป็นที่ยอมรับ ของคณะสงฆ์หมู่คณะสงฆ์เป็นอันดับแรกจากนั้นก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างวันนี้พวกเราเห็นที่มาเคารพมางานศพของหลวงปู่แฟบล้นหลามนับดูรถไม่รู้ว่าเท่าไหร่และพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่มาเคารพคารวะศพหลวงปู่แฟบ มากมายอันนี้แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่แฟบเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และคณะสัทธายาติโยมที่น้องลูกหลานทุกหมู่เหล่าหลวงปู่แฟบสุภัทโทท่านเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสอง5สิห้าตรงกับวันอาทิตย์ขึ้นสิบห้า่ำเดือนสองปีจอ บ้านเกิดหลวงปู่เกิดที่บ้านคำเ ช, อำำชอีอีตําบลคำเชีอีอําเภอคำเชอีอีสมัยนั้นขึ้นต่อจังหวัดนครพนมแต่ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ขึ้นต่อจังหวัดมุกดาหารอําเภอคำเชีอีเป็นอําเภอต้นตระกูลของหลวงพ่ออินเหมือนกันนะห ล, ลวงปู่จามมหาปุญโญกอดอยู่ที่บ้านห้วยรายติดกับคำเชอีอีแล้วก็เดี๋ยวนี้ขึ้นต่อมุกดาหาร เพราะนั้นหลวงพ่อรู้เพราะหลวงพ่อเป็นคนในถิ่นนั้นถ้าพูดไปแล้วคือหลวงปู่แฟบเนี่ยเป็นตระกูลเผ่าภูไทยภูไทยเลนูผูไทยคําเชอีภูไทยกุชินาลายเนี่ยงั้นอ่ะเนี่หลวงปู่แฟบเป็นตระกูลเผ่าภูไทยแต่เมื่อสมัยก่อนสมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นทราบในประวัติของท่านท่านบอกว่าสมัยเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่ม ได้ไปทําทางเดินจงกลมให้แก่หลวงปู่มั่นพาอหลวงปู่มั่นท่านอยู่แถบห้วยทรายอยู่แถบพังมเชอ่อีอยู่แถบน้องสูงแล้วก็มีพระเถระติดตามในยุคสมัยนั้นก็คือหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ชอบหลวงปูตง่ต่างๆที่เราเคารพนับถือทุกวันนี้ล้วนแล้วจะได้ไปผ่านในถิ่นนั้นเพราะว่าหลวงปู่มั่น ท่านเป็นผู้นําทีมเป็นผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายกรรมฐานในยุคนั้นแต่หลวงปู่แฟบของเราท่านเป็นโยมสมัยนั้นท่านก็ได้ได้เข้าไปสัมผัสและเข้าไปกราบไปไหว้ครูบายอาจารย์ท่าจึงมีอุปนิสัยติดใจติดจิตติดใจของท่านตลอดมาต่อมาท่านก็มีครอบครัวของท่านท่านก็ดําลง อาชีพแบบคารวะจากท่านท่านก่มีลูกหลายหลายลูกหลายคู่หลายคนคงจะได้อ่านประวัติก่อนที่จะไปชุมเพลิงในวันนี้อาตมาภาพจะไม่พอเล่าในรายละเอียดมากแต่ต่อมาท่านก็เมื่อท่านสูงอายุแล้วท่านหมดภาระในการเป็นคารวะพ่อลูกก็ใหญ่เป็น ย่าวเป็นเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วท่านก็มองหาทางของท่าน่ท่านจะอยู่ต่อไปก็มีแต่ติดปรักอยู่กับคารวาสไม่มีที่สิ้นสุดเพระาะนั้นท่านจึงหาทางออกอันนี้แหละข้าราทาญาติโยมทุกหมเหล่าอย่างน้อยเมื่อเราสมัยเมื่อเราเป็นน้อยหนูในหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าตามโมตมักปรายโนโชติ ไ้แค่ว่าหลวงปู่แฟบของเราสมัยเป็นน้อยหนุ่มมกมุ่นในการทํามาหาเลี้ยงชีพแค่ว่ามืดมนอนท ก, การในการสะแสวงหาทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อเลี้ยงลูกของตนเองแต่พอถึงระดับหนึ่งจะเห็นว่าพวกเขาเลี้ยงตัวเองได้ท่านก็หาทางของท่าน ให้เขาหาธรรมะเข้าสู่จิตใจของท่านอันนี้ว่าโชติปรายโนคือหาแสงสว่างเข้าสู่จิตใจของตนเองนี่หลวงปู่แฟบคิดถูกนะเพราะนั้นขอให้พระจตยางติโยมทุกๆ ท, ท่านเอาหลวงปู่แฟบเป็นตัวอยา่างสมัยเมื่อหนุม่มท่านกอทํามาหาเลี้ยงชีพแต่พอต่อมาพอลูกหลานของท่านเป็นฝั่งเป็นขวาได้แล้วท่านก็สละ ออกมาเป็นนักบวดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาศีลภาวนาหาทางค้นทุกข์ของท่านอันนี้หลวงพ่ อ, เ, อเห็นว่าหลวงปู่แฟบท่ำถูกนะขอให้พวกเราเอาเป็นตัวอย่างหลวงปู่แฟบท่านจะบวชท่านกน็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธ์เมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2525 ที่วัดอรัญญิกาวาสอําเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีพระครูอุดรคณานุษฐานแต่ทุกวันนี้ท่านเจ้าขุนอุดรต่อมาท่านเจ้าขุนราชฎรพุทธายจารอยู่ที่วัดโพี่สมพรวันนี้ท่านก็คงจะมาเป็นประธานจุดไปชมเพลิงลูกศิษย์ของท่านนะวันนี้หลวงเจ้าขุนโป่เจ้าขุนอุดรท่านจะมาและก็พระ มหาสุทัศนศรีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสมจิตพระครูจิต จ, จิตภาวนาที่เป็นเจ้าอาดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านถือเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอุปชาตั้งฉายาให้หลวงปู่แพบว่าสุพัทโทนะเพราะนั้นขอให้คณะจัดพายญาติโยม ทุกๆ ท, ท่านที่ได้ฟังประวัติของหลวงปู่แซบอย่างย่อยอนะตอนนี้ไปอาตมาภาพจะเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้คณะสงฆ์ได้มอบให้อาตมาภาพเป็นตัวแทนเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่คณะทายาิโยมทุกๆ ท, ท, ท่านได้รับฟังต่อไป นะโม ต, ตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ต, ตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ต, ตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสัตตามาริตสันติขยัวยะ ธรรมมาสังคาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาติติวันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเรามาปงธงทมความสลดสังเวชจิตใจที่พวกเรารักเคารพนับถือในหลวงปู่แฟบสุภัทโท ที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราแต่ก่อนหน้านี้พวกเราก็ไปมาหาสู่ท่านได้ทําบุญทาทานท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนความเรื่องศีลธรรมให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่บัดนี้หลวงปู่แฟบได้จากพวกเราไปเสียแล้วได้นอนอยู่ที่เห็บ อยู่ตรงหน้าของพวกเราเนี่ยสรุปแล้วก็คือหลวงปู่ท่านจากไปเป็นตัวอย่างขอ ง, วงพวกเราส่วนหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดเพราะเหตุไรเพราะพวกเราทุกๆท่านอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องไปนอนอยู่ในหีบเป็หีบศพอย่างหลวงปู่ที่นอนเป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราได้เห็นอยู่ในขณะ น, นี้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่า เป็นวันสลดสังเวชใจแก่พวกลูกหลานกนัทธาญาติโยมทุกหมเหล่าเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันถวายเพลิงศพหลวงปูแฟดวันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวสังเวนิยกถาคือกระถาคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตคือชีวิตของพวกเราตั้งแต่เกิดมาแก่ เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดอย่างนี้ไม่มีใครที่จะดลีกหนีหนีพ้นไปได้ในหลักของพุทพธศาสนาเพราะว่าในโลกล้วนอันิจักรโลกล้วนอันิจักแต่ความตายนี่เป็นนิจจงพวกเราฟังเลที่ว่าความตายนี่เป็นนิจจงเป็นของของแท้แน่นอนเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่น เพราะนั้นความตายนในเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้สำรวมให้ระวังให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราถ้าพวกเราพิจารณาให้ควรทบทวนดูแล้วพระพุทธเจ้าของเรานี่ยกลัวความตายพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะเหตุไรทำไมพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในเียงวงังมีความสุข ทุกอยาก่างบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกอยาก่างในการเป็นอยู่ของพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระมาหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ทำไมท่านจึงหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าดงพงไพยถึงหกปีอยู่ด้วยความยากลำบากทรมานพระองค์อีกอดพระกยอาหารถึงสี่สิบเก้าวันคล้ายๆกับ ว, ว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็ไม่น่าจะผิดพร น, นั้น ทำไมพระพุทธองค์จึงหนีอย่างนั้นอันดับแรกพระองค์คิดอย่างไรจึงได้หนีจากเบียงวังจึงขโมยหนีออกจากเบียงวังไม่ใช่ว่าล่ำลาด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่น้องคณะศรัทธาหรือว่าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องบริษั ท, บ ร, ทบริวารในยุคสมัยนั้นยินดีให้ท่านออกไปไม่ใช่ในประวัติของท่านแล้วท่านขโมยหนีกลางคืนไม่มีใครรู้ รู้แต่เฉพาะนายฉันนะกับพระ อ, องค์เท่านั้นเองสรุปแล้วก็คือในคืนวันนั้นพระ อ, องค์ไปกับ น, นายช น, นะกับม้าขันตกะสามชีวิตไปด้วยกันพอเที่ยงคืนแล้วก็ขึ้นม้าแล้วก็วิ่งออไปเขตแขวงกรุงราชคือไปถึงแม่น้ําอโนบานทีจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ตัดพระโมลีคือผมจากนั้นก็ได้ หาผ้ากาศสายะผ้าย้อมฝาดมาส่งแจกท่านกับเปลืองเครื่องทรงที่เป็นกษัตริย์มอบให้ในายนนะให้กลับถือมาเวียงวังอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ถือตนเป็นนักพรตนักบวชอยู่ตามลำพังแต่ขณะที่พระองค์อยู่ตามลำพังพระองค์ก่อนก่อนที่จะเสด็จออกจากเวียงวังพระองค์ก็คงจะคิดอย่างหนัก คิดแล้วคิดอีกเหมือนกับพวกเราคงจะเคยเห็นนกกระทาอยู่ในกรงเวลามันจะออกจากกรงมันจะเอาจะงอยปากข้องมันจิ้มทุกตาข่ายนี่พระพุทธองค์ท่านก็คงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันที่ท่านอยากจะออกจากเวียงวังจะออกด้วยวิธีอย่างไรพระ อ, องค์ก็คงจะคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วเป็นเวลานานพอสมควรจากนั้นพระ อ, องค์ก็ อันดับแรกพระ อ, องค์ได้เห็นอะไรเป็นเรื่องสรดสังเวชใจของพระ อ, องค์พระ อ, องค์เสด็จไปสวนอุทยานไปเห็นคนแก่อันดับแรกคือไปเห็นคนแก่ผมหงอกผมขาวฟันหลุดตาฝ้าฟางถือไม้เท้าหนังเหยียวยน่นท่านก็ไม่เคยเห็นคนแก่มาก่อนเพราะเหตุไรเพราะสมัยก่อนหน้านี้เมื่อพระ อ, องค์ได้ประชุมได้ ทำนายทายทักว่าศิทธะถ้าหากว่าอยู่เป็นครวา่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะได้ครองโลกพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ที่สุดในแผ่นดินเป็นพระเจ้าจักรพรรดิท่าหางว่าออกบวชจะได้เป็นต้นศาสนาต้นพระพุทธศาสนาเลิศตันเป็นต้นศาสดาเป็นต้นศาสนาใดศาสนาอหนึ่งใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้คือเขาทํานายเป็นสอง แต่พระเจ้าจุโธธนะที่เป็นพระบิดาของพระ อ, องค์ท่านไม่ต้องการอยากจะให้เป็นนักโทนักบวชท่านอยากจะให้เป็นเป็ น, ปนพระเจ้าจากักรพรรดิเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงดูแลลูกชายของท่านคือศรีธะถด้วยความทะ น, น, นุถนอมอย่างยิ่งจะไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้เห็นแต่เฉพาะที่สวยงามเพราะฉนั้นจะไปในณสถานที่ใดคงจะ ลักษณะปลูกต้นกล้วยต้อนอ้อยประดับถนนหนทางมีสแลนกลางกลางกันไม่ให้เห็นคนที่ไม่พึงปรารถนาคงจะลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นตอนนี้พระพุทธองค์มีอายุมากแล้วอายุถึง29ป้ปีพระอัครมเหสีก็พร้อมที่จะประสูตรพทอดบทก็เห็นว่าควรจะปล่อยวางได้แล้วควรจะศีธถะคงจะ ติดโลกคงจะอยู่ละทันิน่คงจะไม่ออกคิดไปทางอื่นละ่ะคงจะอยู่จากนั้นพระเจ้าจุตโทธนะก็คงจะลาวางมือในการรักษาก็ปล่อยให้เป็นอิสระจากนั้นพระศรีทัตทะท่านก็เสด็จไปสวนอุทยานพอไปเสด็จไปก็ไปเห็นคนแก่อย่างที่ว่าเพราะว่าคนปล่อยเป็นอิสระแลยเนะี่ย ท่านก็เห็นอันนั้นเป็นใครท่านถามนายชนะนายชนะเป็นนายสารถีเป็นผู้ขับรถมา้านายชนะก็บอกว่านั้นเป็นคนแก่แล้วทําไมเขาจึงแก่นายชนะก็ตอบว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้อันนั้นคือทุกคนต้องแก่เราจะแก่ไหมเนี่ยเพราะพระเจ้าสิทธัตถะท่านบอกนายชนะบอกว่าแก่เหมือนกันพระเจ้าค่ะ ถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนี้นี่แหละเกิดความสรดสังเวชใจขึ้นอันดับแรกคือเห็นคนแก่อันดับที่สองท่านก็เห็นคนเจ็บไปวันที่สามที่สี่ขึ้นมาท่านก็เห็นคนตายต่อมาท่านก็ไปเห็นสมณะคือสมอสมนาคือนักบวชสมณะาคือนักบวชท่านสเสด็จไปชมสวนอุทยานไปเห็นสัมณะนั่งอยู่ที่โคลต้นไม้ นั่งยึดด้ความสำรวมตามลําพังไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องสิทธะท่านไปเห็นเออถ้าหากว่าเราออกไปอยู่ในป่าอย่างนี้นั่งฝนคิดหาวิธีการจะทำยังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคงจะคิดออกแต่ถ้าเราอยู่ในเวียงวังเนะี่ยมีเรื่องภาระกิจภาระบริหารจัด ก, การบ้านเมือง มากมายหลายอย่างคงไม่มีทางที่จะค้นคิดหาหนทางที่จะพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะนั้นเรามีทางเดียวต้องหนีออกไปบวช น, นี่แหละคือความคิดของพระพุทธเจ้าของเราคือศีลธรรมสมัยท่านครองราชจากัานท่านก็หาวิธีการที่จะทำอย่างไรจึงจะออกจากเวียงวังได้จนมาสบโอกาสวันนั้นเป็นวันที่ นางพิมพายาโสธ ร, ราประสูตรพระราหุลท่านก็รู้ว่าเออราหุนสิ่งที่ผูกพันเกิดกับเราแล้วเราควรจะหนีออกจากเวียงวังในคืนวันนี้จากนั้นพระ อ, องค์จึงได้เสด็จหนีออกไปแต่คนยุคหลังสมัยหลังเขาเขาบอกว่าสิทธัตถะพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัว ออกจากเวียงวังทั้งที่มีครอบมีครวงมีบุตรแล้วไม่รับผิดชอบแล้วหนีออกจากเวียงวังไปแ ส, สวงหาความสุขตามลําพังอาธรมาภาพได้บอกกับคณะผู้ที่พูดว่าควรจะพูดใหม่ควรจะคิดใหม่เราคิดดูซิว่าพระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ในป่าดงปงไผ่นั้นท่านไปหาความสุขอย่างไรมีแต่ท่านไปสแสวงหาทาง้นทุกข์ อดภักกาหารถึงสี่สิบเก้าวันเอออันนั้นเหรอไปหาความสุขท่านไม่ได้ไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเรื่นเริงอะไรเนี่ยจากนั้นท่านก็เมื่อได้รัตรู้ธรรมจากนั้นท่านก็ได้นำพระธรรมคำสอนมาประกาศมาเผยแท้ให้แก่พวกเราเป็นจมบัติอันรําคามาถึงยุคสมัยนี้เป็นเวลาถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยอันนี้แหละคื อ, พ, อพระพุทธเจ้าท่านเสด็จ ออกไปหาทางพ้นทุกข์นะอยู่ที่แม่น้ำอนุมานทีปายิปตนามิข่ายวันในยุคสมัยนั้นแต่เราทั้งหลายที่นีมาพิจารณาดูว่าที่พระพุทธเจ้าตัดสรูรนั้นตัดสรูรอะไรทีนีในคืนตัดสรูรนั้นท่านทำอย่างไรที่ท่านได้ตัดสรูรนะอันนี้พวกเราควรจะนำมาวิเคราะห์นามาเป็นตัวอย่างของพวกเรา ในคืนวันเดือน6กเพ่นนั้น พ, พระพุทธเจ้าทดลองผิดทดลองผูกลองผูก ล, ลองผิดมาเป็นเวลาถึงหกปีแต่วันนั้นเป็นสูตรสาเร็จที่พระสิทธัตถะได้ตรัสรู้รมในวันเดือนหกเพ่นวันเดือนหกเพ่นวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระอาทิตย์ยังไม่อัจจดงนายโสธยนนาย้าคาผ่านมา แล้วก็ได้มอบยาคาให้แก่สิทธัตถะแปดกำมือในวันนั้นจากนั้นสิทธัตถะได้ยาคาแปดกำมือมาเกลีย่ยลงที่โคนต้นโพเมื่อเกลีย่ยลงที่โคนต้นโพแล้วท่านสิทธัตถะก็ขึ้นไปนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนี่แหละขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมลาให้พวกเราฟังเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านภาวนาอะไรท่านกำหนดอะไรในวันที่ท่านได้ตัดสรูรนั้นท่านภาวนากำหนดลมหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้น จากนั้นจิตของพระ อ, องค์ใจของพระ อ, องค์พระไทยของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์น้อมจิตหรือน้อมพระไทยที่รวมลงเป็นหนึ่งนั้นไปในอดีตไปในอดีตว่าเมื่อวานนี่เป็นยังไงวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนจนถึงชาติก่อนเนี่ถ้าว่ามีญาณทัศนน ะ, ะท่านมีเครื่องมือในจิตใจแล้วถึอจากนั้นถ้าว่า ปุเพยนีวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้คิดดูว่าตายแล้วไม่สูญในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุใดพระพรุทธเจ้าไปค้นคว้าไปศึกษาดูแล้วว่าพระองค์ได้กําหนดดูแลว้วได้ทาจิตใจเรื่อไปภาวนาดูแลว้พวพระองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญนี่แหละ ขอให้พวกเราทุกท่านอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบถ้าจิตใจของเราสงบรวมลงเป็นหนึ่งถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นคนละอันกันเป็นคนละส่วนกันหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้แก่คณะจทา ย, ยางศ์โยมทุกหมู่เหล่าให้ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถ ส่วนใจหรือนามธรรมนั้นเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเป็นคนละอันกันคนขับรถคือจิตใจคือนามธรรมแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเรื่องของกายนะี่คือเรื่องของรถนั้นพระพุทธองค์ไมาให้ความสาคัญแต่ท่านให้ความสำคัญเรื่องผู้ขับรถคนขับรถ ท่านจึงตั้งเป็นพระบาลีขึ้นมาว่ามาโนปุพังขามาธรรมามโนเจตามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์ให้นั่งภาวนาทีนี้มาโูดย้อนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราในยุคสมัยนี้คือองค์ปู่เสาหลวงปู่เสาหลงาวหลงปู่มัน ครูบาอาจารย์ของพวกเราเมายุคที่สมัยนี้ก็คืออย่างองค์หลวงตามหาปัวอย่างนี้แหละท่านก็สอนบอกกล่าวให้แกพวกเราครูบาอาจารย์ทุกองที่พวกเราเข้าไปศึกษาไปถามไถยท่านท่านจะยืนยันเป็นคำเดียวว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะเพราะเหตุไรเพราะได้ปฏิบัติตามำคำสอนของ ครูบาอาจารย์แล้วทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเวลานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเรือเราจะบริกรรมอย่างไรก็ได้แต่จิตใจเข้าสู่ความสงบมเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นคนละส่วนกันเราจะรู้ได้ว่าเออร่างกายนี้แตกตายสลายแนย่อย่างหลวงปู่แฟบของพวกเราเนี่ยนะท่านอยู่ในหีบย อีกไม่นานเนี่ยพวกเราก็จะไปชุมเพลิงแต่ส่วนนามนธรรมคือจิตใจของหลวงปู่แฟบนั้นถ้าว่าท่านชำระใจของท่านเป็นพระหันท่านก็เข้าสู่ปรินิพานเอาไปอีกมิติหนึ่งแต่ถ้าว่าท่านยังไม่ได้สำเร็จท่านก็ไปกติภูมิอาจจะไปถึงพรหมไปพรหมไปสู่สวรรค์ด้วยอานิสงส์บุญกุศลของท่านอันนี้เราไม่สามารถที่จะพยากรท่านได้ เพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันรับรองด้วยการทุกข์อมเวลาท่านได้คำแนะนําจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านจะพาตะพายบาดแบกตดเข้าสู่ป่าดงพงไพหาที่สงบสงัดอยู่ในป่าในเขาจากนั้นท่านก็ไปนั่งภาวนาเมื่อท่านภาวนาแล้วจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองว่า ตายแล้วไม่สูญ น, นี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรายืนยันอย่างนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะสัตธาญาโยมทุกหมู่เราที่นับถือพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราคิดว่าตายแล้วสูญพวกเราก็ไม่ได้ขนขวายไม่ได้ทําคุณงามความดีทั้งอยู่ในความประมาทจากนั้นก็พวกเราจะทำสิ่งไหนเราก็ทําโดยมากการกระทําของเรานั้นจะไหลไปทางต่ําไปทางต่ําเสมอ จะไม่ทามุ่งมั่นไปสู่คุณงามความดีเต่เพราะว่าพวกเรามีแต่คิดว่าตายแล้วสู่แต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วเกิดเนี่ยพวกเราจะต้องประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราจะทำสิ่งนั้นเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านว่ากรรมชั่วจะทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลัง แอร์อัคตังทุกตังเส้ยโยปัชชาตปติทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังแต่อาตมาภาพถแถมท้ายอีกนะแถมท้ายให้เป็นแนวความคิดนะเป็นแนวความคิดไม่ใช่ว่าจะดูถูกเหยียดหยามบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาหลวงพ่อว่า อัตังตุกตังไสยโยประชาตปติทุกตังกรรมชั่วจะทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อเราตายไปแล้วเขาจะเขียนประวัติยากเมื่อภายหลังเขาจะเขียนประวัติยากประวัติของเรายากเมื่อภายหลังเมื่อเราไปงานศพถึงจะเป็นศพ บ, บ้านนอกศพในเมืองอย่างหลวงปู่แฟบของเราก็เถอะนะ เมื่อประทุมเพลิงพวกเราก็จะได้อ่านประวัติว่าผู้วายชนพวกเราจะได้อ่านประวัติให้ฟังว่าผู้ที่ตายไปนี้ทำหน้าที่อะไรการงานอะไรทำหน้าที่อะไรสโแหวงหาทรัพย์อย่างไรรับผิดชอบในครอบครัวดีอย่างไรแต่ถ้าว่าผู้ที่วายชนไปนั้นเป็นคนดีเขียนประวัติออกมาก็เป็นที่ยอมรับ ท้งพี่น้องเพื่อนฝูงวงสาคนาญาตทั้งใกล้ทั้งไกลเพราะเหตุไรเพราะว่าเป็นคนดีแต่บางคนนแ่แหะเป็นคนที่ไม่เอาฐานไม่เอาไหนเลยพอทำการทำงานเข้ามาก็ไม่รับผิด ช, ชอบดื่มสุราเที่ยวสัมมเลเทเมาอบา ย, ยมกทุกอย่างเป็นนี่เล่นการพนงปนันเป็นนี่ทุกหัวละแหงไม่รับผิด ช, ชอบในครอบครัว สามีภรรยาแตกสลุกผู้พ่ายกันจนไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่พอเมื่อเขาตายไปแล้วทีไอ้ผู้ที่เขียนประวัตกิก็ไม่รู้จะเขียนยังไงจะประจานความชั่วเขาก็ใช่เรื่องทีนี้ก็เลยเขียนประวัติยกเมฆมาพูดทีนี้ยกเมฆมาพูดเอาแต่ของดีๆมาพูดเขาเป็นผู้รับผิด ช, ชอบเขาเป็นผู้มีหน้าที่การงานดี สิ่งไหนที่มันดีเขาจะพูดแต่พูดที่อยู่ใกล้ผู้ที่รู้เรื่องประวัติของผู้อยู่ใกล้ฟังดูแล้วก็อับกระอวนเหมือนกันจ้ะเอ๊ะทำไมพูดได้อย่างนี้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ประวัติอย่างนี้นะมันอีกอย่างหนึ่งนะ่ะทำไมเขียนได้อย่างนี้คนที่เขียนก็คงจะเป็นหมู่เดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันช่วงช่วงอย่างเดียวกันนะนะั่นน่ะยงยกเมฆมาพูดอย่างนี้นะ ไอคนที่เขียนก็บอกเออถ้าคนตายไปแล้วถ้าว่าเราจะไปพูดแต่ความชั่วของเขาเออกมาเป็นการก็ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นต้องพูดเอาคุณงามความดีมาพูดจะดีกว่าเพื่อเป็นตัวอย่างของอนุชนรุ่นหลังต่อไปเนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าความชั่วจะทําเสลยดีกว่าเพราะกความชั่วนั้นเมื่อตายไปแล้วเขาเขียนประวัติยากเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอ ฝากไว้กับพวกคณัตถายาดโยมทวกหมู่พวกเ่านะและท่านี้มาพูดเรื่องทำสมาธิกีนี้นะถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทพวกเราคงจะอยากจะทําสมาธิอย่างองค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ปูบายจารย์เอวิธีนั่งสมาธิทําสมาธินี่ทําอย่างไรแต่ตามจริงถ้าเรารู้เรื่องวิธีการทําแล้วทําง่าย เราต้องหาหมุมสงบอันนี้คือเราต้องการที่สงบสงัดนะถ้ า, าว่าที่ไม่สงบสงัดแล้วเราจะภาวนาไม่ได้เพราะเสียงรบกวนเราต้องหาหมุมสงบเท่าอยู่ในบ้านของเราในช่วงที่เราปิดวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ปิดโทรศัพท์ของตนเองอีกต่างหาก เ, เมื่อเราพร้อมที่จะทําความดีและวทีนีเ้เราจะ นั่งภาวนาสักหนึ่งชั่วโมงวันนี้นะเราต้องหาโอกาสเราต้องหาจังหวะไม่ใช่ว่า24ชั่วโมงเราจะทุ่มเทให้แก่โลกวัตะสงสารทั้งหมดมันก็ไม่น่าจะถูกเราควรจะให้จิตใจของเราพักผ่อนบ้างสักหนึ่งชั่วโมงคือทําสมาธินี่คือทําจิตใจของเราให้พักผ่อนไม่ใช่อื่นไกลคือไม่ให้ใจของเราปุงฟุ้งออกไปข้างนอกจิตใจของเราพักผ่อนสักหนึ่งชั่วโมงใน24ชั่วโมง อันนี้คือหาโอกาสให้ตนเองเวลาเราจะทำสมาธิเทรเราก็หาอยู่เข้าไปห้องพระก็ได้ในห้องแอร์ก็ได้จากนั้นเราก็ตั้งมุมใดมุมหนึ่ง เ, เราก็ปัะนนมือไหว้พระในใจอลหาหังสวาาคาโตสุปฏิปันโนนาโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังสันกัตชามิ สุดแท้แต่พวกเราจะท่องบนสาทยายอะไรได้ยอดพักกันเราจะสาทยายก็ได้หรือจะสวดพ่ะหงก็ได้พอสวดสวดเจ็บจบเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งถ้าหากว่าเป็นไปได้ครูบาอาจารย์ท่านให้นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเพราะทำไมท่านจะให้นั่งสมาธิท่านบอกว่าถ้านั่งพับเพีย้ยบมันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง แต่ถ้าว่าผู้ที่ไม่สะดวกในการนั่งพราะปวดขาหรือหัวเข่าพับไม่ได้เราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นะพอนั่งเก้าอี้แล้วก็ปนมือซะก่อนคือไหว้ครูซะก่อนถึงเราจะนั่งสมาธิก็จริงแต่เราก็ต้องปนมือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปนมือขึ้นระหว่างอกวริกอมพุทธโธ ธรรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ ส, สามจบในเมื่อเราไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็เอามือลงเอามือลงมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นเราก็นั่งทําใจให้นิ่งเอและมีสติสัมปชัญญะกําหนดลมหายใจเข้าเราจะบริกรรม แผ่เมตตาซะก่อนเป็นอันดับแรกนะแผ่เมตตาคือข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้เมื่อเมื่อเรานั่งสมาธินี่เราแผ่เมตตาทาให้จิตใจของเราอ่อนโยนอ่อนนิ่ม ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลอันนี้ก็คือแผ่เมตตาพอเมื่อแผ่เมตตาจบแล้วเราก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพดหายใจออกโถแต่บางคนก็บอกเออผมไม่เคยกำหนดลมเวลาหายใจเข้าก็ไม่รู้มันจะกระทบที่ไหนไม่เห็นลมกระทบเลยอันนี้เราก็ต้องเวลาหายใจเข้าลมสู ร, รมลมก็แรง เวลาหายใจออกเราก็แทกลมออกแรงๆหายใจเข้าแรงๆหายใจออกแรงๆสักสองสามครั้งจากนั้นเราก็เอาสติของเรากำหนดอยู่ที่ปลายจมูกอันใดอันหนึ่งเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพดหายใจออกบริกรรมว่าโธจากนั้นเราก็หายใจตามปกติไม่ต้องกลึงไม่ต้องเกร ง, ง, กงให้เป็นธรรมชาติที่สุดคือเวลาหายใจเข้าพดหายใจออกโธพด พุทโธ ท, ทนีนี่นี่แหละวิธีการภาวนาไม่ยากจากนั้นในเมื่อมันจิตใจมันยังปรุงคิดเออมันยังคิดออกไปข้างนอกอยู่มันไม่อยู่ถ้ามันไม่อยู่เราจะบริกรรมบ่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคือให้ใจของเราบริกรรมให้ใจของเราพูดให้ใจของเราสาธยายคือความนึกคิดตัวนั้นล่ะไม่ให้มันคิดเรจ่องอื่นให้มันนึกพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทธโธพุทธโธพุทโธพุทธโธ จนไม่มีช่องว่างที่ใจของเราจะคิดออกไปได้อันนี้ก็คือทําสมาธิเหมือนกันแต่หลวงพ่อเองขอแนะนําคณะสัตยาญาติโยมที่เข้าไปเกี่ยวข้องหลวงพ่อหลวงพ่อว่าทดลองนับตัวเลขคือซิเพราะทุกวี่ทุกวันพวกเรานับแต่ตัวเลขเพราะฉะนั้นเวลาหายใจเข้าเรานับหนึ่งหายใจออกเรานับสองหายใจเข้าเรานับสามหายใจออกเรานับสเรานับไปเรื่อยๆือยจนถึงร้อย พอร้อยถ้าเราไม่เผลอกลับมานับหนึ่งใหมอ่อีกนับหลายๆหลายๆเที่ยวดูแต่ถ้ามันเบอร์มันเผลอมันจะเป็นยังไงถ้ามันเผลอมันเวลาหายใจเข้าเป็นเลขที่หนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขที่สหายใจออกเป็นเลขคู่4ไปถึงร้อแต่ถ้าหากว่ามันจะเผลอนะ่ะเวลามันจะเผลอมันจะเบอเบอร์จากนั้นเราก็ เวลาหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขคี่สลับกันอันนี้แปลว่าเราเผลอแล้ว เ, เราขาดสติแล้วในช่วงนั้นเรากลับมาบริกรรมใหม่อีกนี่แหละถ้าหากว่าเราตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกให้เข้มแข็งขึ้นอีกเมื่อเราเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเราจะรู้ได้ท่นีสติของเราจะดีดีขึ้นเรื่อยเรื่อ ย, เ, อ ย, เ, อยเพราะเราฝึกหัดสติ เราทำสมาธิเนี่ยเพราะนั้นขอให้พวกเราขนาาาัรจต่ายาดโยมทุกถูกทุก ท, ก ท, ก, ทกท่านนะวิธีการทำสมาธินี่ไม่ยากถ้าเรารู้จักวิธีจากนั้นเราทำสมาธิแล้วเราได้อะไรได้ประโยชน์เป็นอนันตการถ้าคนที่มีหลักจิตหลักใจแล้วจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วเมื่อต่อไปภายภาคหน้าเราเท่าแก่ชลา ความว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาเศาซึมต้องมาเจอเราแน่ๆแต่ว่าพวกเราไม่ได้ฝึกเรื่องจิตภาวนาเอาไว้แต่พวกเราได้ภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งแล้วในเมื่ออายุมากอายุแก่ขึ้นไปเราก็จะภาวนานทำจิตใจให้สงบอย่างนี้จะเป็นเครื่องอยู่ทางด้านจิตใจนานเท่านานแล้วเรื่องสมาธิเมื่อเราฝึก ด, ดีแล้ว จิตใจของเรารวมเป็นหนึ่งใจิตใจของเราสงบจะมีความสุขมากเอจิตของเราจะรวมลงเป็นหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตดรัสรู้ธรรมเจว่าปุเพนิวาสารุติยาละลึกชาตดโวลังได้ใใจิตของพระองค์รวมลงเป็นหนึ่งนี่แหละเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งจิตใจที่เป็นสมาธิท่านว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านฝึกเรื่องสมาธิพุทธศาสนิกชนพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทานรักษาศีลแต่เรื่องภาวนาในพวกเราไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่แต่ตามไม่จริงเรื่องภาวนาเป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาเพระพาะนั้นขอให้คณะทายาทโยมทุกเหล่าทุกหมู่ทุกเหล่าเรื่องให้ฝึกเรื่องสมาธิ เรื่องเรื่องสมาธิเป็นถิงที่จาเป็นสำคัญอย่างมากไม่ใช่เรื่องของพระนะเป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนผู้ต้องการความสุขความเจริญทางด้านจิตใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราไม่ฝึกสมาธิจิตใจของเราล้วนเละจิตใจของเราไม่มีกำลังหมดกำลังใจแล้วพวกเราจะหาความสงบร้มเย็นเป็นจุขไม่ได้นะและก็พร้อมกันวันนี้คณะสง ที่มาร่วม ง, งานหลวงปู่แฟบหลวงปู่แฟบทําไมจึงมีคณะทาญาิโยมพระสงฆ์เข้ามาร่วมมากขนาดนี้เพราะหลวงปู่แฟบเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นขอกราบครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ได้บอกครูบาอาจารย์ท่านครูบาอาจารย์ท่านดีอยู่แล้วแต่หลวงพ่อขอบอกเก่าน้องนุ่งของหลวงพ่อเนี่ยคือที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าหลวงพ่อ เดี๋ยวนี้หลวงพ่อนะคณะสัตยาญาติโยมก็คงอยากจะทราบเออหลวงพ่ออินเนี่ยพรรษาเท่าไหร่นะนี่หลวงพ่อสี่กพรรษานะคณะสัตยาญาติโยมอายุหกสิบปีอายุอายุหกสิบกปีพรรษาสี่สหนะบวกสมณีอีก8เป็นเท่าไหร่ฮนะห้สิกว่าพรรษาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวคณะสัตยา บอกกล่าวพวกน้องนุ่งทั้งหลายที่มีอายุน้อยกว่าพรรษาน้อยกว่าหลวงพ่อเนี่ยขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ปฏิบัติให้เป็นธรรมสมกับที่ว่าสากยบุตรพวกเราเป็นศากยบุตรพุทธชินโนรสคือเป็นบุตรของพระพทุทธเจ้าแต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติดีตามธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย ก็เป็นพระที่น่าเคารพน่านับถือน่ากราบไหว้บูชาแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติไม่ตรงไม่เหมาะไม่สมอพวกเราออกนอกลูกนอกทางแปลว่าถ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็เป็นลูกที่แหวกแนวเป็นลูกที่ไม่อยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับทุกพระสงฆ์น้องหนุ่มทุกองค์ที่ได้มาในวันนี้หรือไม่ได้มาก็ก็ดีนะ เพราะว่าพวกเราได้ยินหืหนาหูขึ้นเรื่อยๆ เ, เพราะพวกเราก็เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันบางองค์พระสงฆ์ก็สนุกสนานเผิดเพผินเฮฮาไปทางโลกวตะสงสา ร, รไม่ได้คิดว่าเราเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นเป้าหรือว่าเป็นที่ศทัทธาญาติโยมพวกเราเป็นอยู่ได้เป็นอยู่นนยายาได้ด้วยศรัทธาญาติโยมถ้าว่าพวกศรัทธาญาติโยมไม่เคารพไม่นับถือไม่เลื่อมใส พวกเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉนั้นพวกเราต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยถึงจะโง่ก็ให้โง่อยู่ตามหลักพระธรรมวินยัยถึงจะฉลาดอย่างไรก็ให้ฉลาดอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้เป็นผู้มีศิลเนีเ่ยเนี่ยแ่ชวนมีธรรมนั้นก็ควรจะสะแสวงหาอีกแต่เรื่องศินและวินยัยควรจะพวกเราทุกท่านควรจะเป็นผู้มีศินพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านพูดตรัสไปแล้วว่าถ้าหาว่าพระยังมีศีลอยู่ตราบใดพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ตราบนั้นแต่ถ้าว่าพระไม่มีศีลเมื่อพระพุทธศาสนาของพระองค์ก็คงจะหมดโดยเร็วพรานเพราะฉะนั้นพวกเรา ท, ทุกทท่านจะเป็นพระสงฆ์ก็ขอให้ มุ่งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอย่ามุ่งมั่นไปทางโลกาวัชะมากเรื่องของโลกมากจนเกินไปอันนี้ก็คือเรื่องของพระสงฆ์แต่การที่จะบอกกล่าวพระสงฆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะพวกเราพุทธบริษัท4อุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันก็ขอให้อยู่ในศีลห้าอย่าให้ขาดตกบกพร่องจนเกินไปพวกเรานับถือพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ก็ให้มีศีลห้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจไม่ใช่ว่าเป็นพุทธมามกะเพียงทะเบียนบ้านว่าเป็นชาวพุทธเท่านั้นแต่ไม่ได้ประพฤติตนให้เป็นคนมีคุณค่าเช่เลยเขาไม่ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นคุณค่าของอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้มีศีลห้าหที่อาตมาภาพได้สแสดงรืะบอกกล่าวแนะนา เบื้องต้นว่าสินห้ามีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรต่อพวกเราท่านทั้งหลายอันนั้นก็คือศินและธรรมทีนี้ส่วนราชการหลวงพ่อก็แนะนําอีกเหมือนกันนะส่วนราชการพวกหมู่ทุกเหล่าพี่น้องประชาชนได้เสียภาษีให้แก่ทางรัฐบาลรัฐบาลเป็นผู้ได้รับภาษีจากพี่น้องประชาชนจากท่านก็ พัฒนาประเทศชาติจากนั้นก็ให้เงินเดือนแก่ราชการทุกหมู่ทุกเหล่ า, ามีมากหลากหลาย เ, าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ตรวจตราดูตนเองว่าที่ข้าไปเจ้ารับเงินเดือนมานีเา้เงินภาษีพี่น้องประชาชนมาเนี่ยมันคุ้มค่าเราทํางานคุ้มค่ากับภาษีพี่น้องประชาชนเขาให้มาไหม ถ้าหากว่าเป็นเงินของเราเราทำงานอย่างนี้เราจะกล้าจ้างเราไหมอันนี้ก็ให้ถามพวกเราทุกทุกท่านเหมือนกันถ้าว่าพวกเราไม่ถามตัวเองพวกเราก็จะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุ ท, กท่านที่ได้มาฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อในวันนี้หลวงพ่อบอกกล่าวให้แก่พวกเรา ได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวความคิดอย่าไปพูดว่าหลวงพ่อกระแทกแดกดันสังคมนะเป็นการบอกกล่าวพวกเรารักกันสิ่งไหนที่มันไม่ดีพวกเราก็ควรจะบอกกล่าวกันให้เดินไปในทางที่ถูกต้องถ้าว่ามันเดินดีอยู่แล้วเราทํางานถูกต้องดีอยู่แล้วเราเป็นพระที่มีศีลดีอยู่แล้วเราเป็นผู้มุ่งมั่นในศีลธรรมดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วก็ไม่น่าตําหนิแต่ถ้าว่าผู้ที่ เดินออกนองลูกนอกทางขอให้พวกเราให้คิดไว้ในใจเออข้าพเจ้าเดินมาจุดนี้มันไม่น่าจะถูกต้องข้าพเจ้าจะกลับใจกลับตัวใหม่ให้เป็นพระที่ดีญาติโยมที่ดีพุทธบริษัทที่ดีอันดับแรกอัตมาภาพได้ยกพุทธภาษีขึ้นว่าสัพเพสัตตามริตสันติความแปลและความหมายว่า ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้อันดับที่สองว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆ่าราอาปมาเดนะซัมปาเดธาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้เป็นพุทธภาสิต เป็นพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพานในวันเดือนหกเพนในอุทยานของมันลักษณ์ในคืนวันนั้นพระองค์จวนจะสว่างพระสงฆ์นั่งร้อมรอบพระองค์ก็สอนว่าขยวัวยธรรมาสร้างฆาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดท่าติจากนั้นพระองค์ก็เงียบไม่พูดอีกเลย อันนี้เป็นว่าเป็นปัดฉิมมโอวาดเป็นโอวาดของพระพุทธเจ้าความแปลและความหมายท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะประโยชน์ตนคือท่านว่าร่างกายสังขารนี่ไม่ถึงร้อยปีนะต่างคนก็ต่างไปอย่าไปโลภโมโหโกธาจนเกินไปอพออย่างชีพให้เป็นไป ควรมีเมตตาต่อกันควรมีน้ำใจต่อกันไม่ใช่ว่ามีอะไรก็โลภโกรธโมโหโธโกทาไปหมดก็ไม่ถูกนะแล้วก็ประโยชน์ตนประโยชน์ตนคล้ายๆกับว่าเราทำมาหาเลี้ยงชีพอย่าให้ขาดตกบกพ่อ ง, เ ล, งอเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวอย่าให้ขาดตกบกพ่องในเมื่อเราเทาเมื่อตัวเองไม่ขาดตกบกพ่องแล้วก็ให้มอง ชุมชนและสังคมเราจะช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์สั่งเอาไว้นะท่านตรัสท่านสั่งเอาไว้ว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะั่นอันนี้ก็คือเป็นพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นขอให้คณะทายาตทยงที่ได้มาฟังธรรมเทศนาในวันนี้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 ท่านดวงวิญญาณของท่านยังติดข้องก็ขอให้ท่านมีความสุขถ้าท่านพ้นทุกไปแล้วพวกเราก็ขอบุญบารมีของท่านคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราท่านทั้งหลายร่มเย็นเป็นสุขปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน